การปฏิบัติธรรมมันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตของคนเราคนเราเพราะไม่รู้แจ้งในธรรมเพราะความประพฤติไม่เป็นธรรมนั่นแหละมันจึงได้รับความลำบากอยู่ในโลกอั น, นี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า ธรรมโมหาเวรคติธรรมมจาริงธรรมโมสุจินโนสุขมาวะหาติพระธรรมยอมรักษาผู้ปฏิบัติมาให้ตกไปในที่ชั่วทรรมที่ผู้ประพฤติดีแล้วนำสุขมาให้นี่เป็นพุทธภาษิตพระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งแล้ว ว่ามีแต่ธรรมะเท่านั้นแหละที่จะรักษาจิตใจของคนได้ไม่ให้จิตใจนี่มันแปลผันไปในทางไม่ดี mm hmm. เช่นฮิริโอตปปธรรมอย่างนี้นะ mm hmm. ตั้งความละอายแก่ใจไว้เสมอในการที่จะทำความชั่วตั้งโอตปะไว้ในใจ คือตั้งความกลัวไว้กลัวว่าความชั่วที่ตัวทมนั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าต่อไปเมื่อมีคุณธรรมสองอย่างนี้อยู่ในใจแล้วก็เท่ากับว่ามีครูมีอาจารย์แนะนำสั่งสอนอยู่ตักเตือนอยู่อย่างนั้น คูใดไม่มีคุณธรรมสองอย่างนี้อยู่ในใจแม้จะอยู่ใกล้กับครูบาอาจารย์ผู้แนะนำสั่งสอนอย่างไรมันก็ทำความดีไม่ค่อยได้หรอกทำได้ก็ขาดตกบกพ้องไปได้บ้างเสียบ้างไปอย่างนั้นเนี่ยบุคคลผู้ที่ ไม่มีคุณธรรมสองอย่างนี้อยู่ในใจสามารถทำความชั่วได้ทุกอย่างทั้งในที่ลับทั้งในที่แจ้งดังนั้นบุคคลผู้อยู่กับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้ติดตามไปทุกบาดเก้า ไม่ได้ติดตามตักเตือนอยู่อย่างนั้นเสมอไปอันผู้ที่จะทำความดีได้นั้นมันก็อาศัยตนของตนและเตือนตนเสมอกูจะไม่ทำความชั่วก็เพราะตนและเตือนตนเสมอไปเพราะว่าตนนั่นมันก็หมายถึงว่ากายกับใจนี่เองอะไร ใจนั่ น, นะสอนใจถ้าผู้ใดไม่รู้จักสอนตัวเองเป็นแล้วก็มันละชั่วทำดีไม่ได้ให้เข้าใจไอ้คำสอนของพทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนมันนั้นล้วนแต่เป็นอุบายสอนใจทั้งนั้นเลยน่ยอุบายต่างๆเป็นเครื่องสอนใจ เช่นอยา่างวิ todos, ิยะความเพียรอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าวิริยนะทุกขะมัจเจติผู้จะพ้นทุกข์ได้ก็เพราะมีความเพียรเมื่อเรานึกถึงความเพียรอย่างนี้ก็เพียรยังไงวะนี่เพียรละความชั่วที่มีอยู่ในใจนั่นเนี่ยชดิตนิสัยอนใดมันไม่ดี มันจะก่อให้เกิดทุกขเพียนละจริตนิสัยอันนั้นด้วยสมาธิด้วยปัญญาไม่ใช่ว่าละเฉยๆละมคัคงเช่นอย่างว่ามันคิดรักอะไรใครขึ้นมาครั้งใดครั้งหนึ่งอย่างนี้นะก็รู้แล้ว รู้ตัวได้ว่ากิเลสอย่างนี้มันยังมีอยู่ในหัวใจอย่างนี้ก็เพียรสะกดจิตคมจิตไม่ให้ความรักอนะครอบงมจิตใจต่อไปเพราะมันมีโทษความรักมันมีโทษมันทำให้คนเราพินทุกเดือร้อนอยู่ในสงสารนี่มากมายรักประกอบไปด้วย อวิชชาก็ไม่รู้ยิ่งพาให้ทำความชั่วมากมายทำบาป ท, ทำกรรมใส่ตัวเองเพราะความรักอย่างนี้นะความรักทำให้คนเราตาบอดมองไม่เห็นอะไรมองไม่เห็นทุกข์ทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าอะไรเลยก็เมื่อบคุคคลมีอุบาย ซ้อนใจของตนเข้าไปอย่างนี้มันก็วันเทาความรักลงได้มันเป็นอย่างนั้นแต่คนส่วนมากไม่ควมีอุบายซ้อนใจตัวเองกิเลสมันปั่นจิตให้คิดไปอย่างไรก็ไปตามมันเรื่อยเปื่อยไปไม่รู้จักห้ามจิตตัวเองมันเป็นอย่างนั้นส่วนมากนะ เหตุใดคนเรามันถึงได้ทำความชั่วไอ้ผู้บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนานี่ถ้าไม่รู้จักสอนใจห้ามใจตัวเองอย่างนั้นมันก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องซึคขาลาเพรออกไปผู้อยู่ได้นั้นเพ ร, รู้จักสอนใจตัวเองห้ามใจตัวเองมีความเพียรละ การมสวิตตกพยาบาทวิตกเวียงสาวิตกไม่ให้เกิดขึ้นในจิตใจด้วยสมะถะภาวนาคือทําใจสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อมันใจสงบลงเป็นหนึ่งและความวิตตกอย่างว่านะมันก็ไม่มีไม่เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ในขั้นต่อไปก็เจริญปัญญาวิปัสสนาหยิบยก ความคิดที่เป็นอกุศลเป็นบาปอย่างนั้นมาพิจารณาว่ามันมีทุกข์มีโทษอย่างนั้นอย่างนั้นเมื่อปัญญาพิจารณาเห็นอย่างนั้นสอนจิตเข้าไปเมื่อจิตมันเห็นตามปัญญาแล้วมันก็เบื่อหน่ายเบื่อหน่ายความคิดที่มันเป็นกิเลสเป็นบาปอากุศลอย่างว่านั้น เราต้องพิจารณาสอนใจตัวเองให้มันเบื่อหน่ายกิเลสทุกอย่างเท่าถ้าจิตไม่เบื่อแล้วมันไม่คลายเรื่องมันนะความโกรธก็เหมือนกันอันกิเลสอันนี้มันมีทุกคนแหละผู้ที่ยังท่องเที่ยวอยู่ในสงสารนี่นะตั้งแต่มากหรือน้อยกูกันเท่านั้นเอง ผู้มีมากก็เป็นเหตุให้ทำบาปผู้มีน้อยก็ทำให้จิตใจสงบเป็นสมาธิไม่ได้ลบกวนจิตใจให้ฟุ่งร้านแต่ไม่ถึงกับไปทำบาปมีฆ่าสัตว์เป็นต้นดังนั้นทุกคนต้องพิจารณาให้เห็นโทษแห่งความโกรธ แม่น้อยหนึ่งก็เห็นโทษของมันเหมือนอย่างไฟนี่แหละลูกไฟลูกเล็กเล็กเมื่อมันลมพัดปิวไปใส่บ้านใส่เรือนใส่หญ้าแห้งเขาก็ติดลุกเป็นปเปลวขึ้นสามารถเผาวัตถุต่างๆให้วาดไวลงไปได้อันนี้กิเลสนี่ก็เหมือนกันนะเส้นความโกรธนี่แม้น้อยหนึ่ง ถ้าบุคคลไป่ละมันแล้วเมื่อมันมีเชื้อภายนอกมาสมทบเข้ามันก็แรงกล้าขึ้นไปเรื่อยๆถึงกับได้ทำบาปที่นี่ประหัดประหารผู้อืน่น้วยกายบ้างด้วยวาจาบ้างอย่างนี้นะมันก็ทำกรรมทาเวรใส่ตัวเองเพราะไม่เพียนพยายามละกิเลสเหล่านี้แหละ มันจึงไม่ค้นทุกข์ไปได้สักทีอันที่เราเกิดมาในชาตินี้กรบเคาะแต่ชาติหลังโน้นก็ไม่ได้ทำความเพียนละกิเลสเหล่านี้ไม่ได้ถือทำเป็นใหญ่ไว้ถือเอากิเลสเป็นใหญ่ในหัวใจกิเลสมันจึงได้พาท่องเที่ยวมาอยู่อย่างนี้ถ้าเราถือเอาทำ คือความสงบเป็นใหญ่เป็นประธานอย่างนี้นะเราชอบใจในความสงบอย่างนี้เราก็้าเกเปลียนพยายามสำมรวมใจอย่าให้มันพุ่งสร้างเลื่อนลอยไปไม่ว่าเวลาไหนกลางวันกลางคืนก็ตามก็มีสติสัมปชัญญะสำมรวมจิตอยู่อย่างนั้น เรื่องใดที่มาปรากฏในมนุษวานพิจารณาเห็นแล้วก็ปล่อยวางไม่ถือมั่นไว้อันธรรมดาจิตนี่จะไม่ไม่ให้มันคิดอะไรเสียเลยนะั้ไม่ได้หรอกแต่เมื่อบุคคลผู้มีสติมีสมาธิอยู่ในใจความคิดอะไรมันก็ไม่ค่อยเป็นอกุศล เมื่อมันคิดขึ้นมานะมักจะคิดเป็นเรื่องทางบุญทางกุศลไปเช่นนี้แหละจิตใจที่ตั้งมั่นอยู่เป็นสมาธิอยู่นะถ้าใจไม่เป็นสมาธิแล้วบางทีก็คิดดีไปบางทีก็คิดชั่วไปไม่แน่นอนเลยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงว่า คนเรานะั่นน่ะจิตใจไม่ได้อยู่ด้วยธรรมะอันเป็นฝ่ายกุศลมันถึงไดเ้เอียงไปทางบาปอากุศลทมบาปด้วยกายด้วยวาจานี่นะมันไปอย่างนั้นขาดเมตตากรุณาในมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายชอบเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อืน่น ผู้ใดฝึกฝนจิตของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมคือความสงบสงบอยู่ด้วยบุญด้วยคุณเนวะใจเราตั้งมั่นอยู่ในคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ตั้งมั่นอยู่ในฐานการเสียสละตั้งมั่นอยู่ในความสมรวมระวังในการทาในการพูด เนี่ยเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วทำอะไรทางกายมันก็ไม่ไปกระทบกระทั่งคนอื่นให้เดือดร้อนเพราะการกระทําพูดอะไรออกมาทางวาจามันก็ไม่กระทบกระทั่งคนอื่นให้เจ็บอกเจ็บใจเพราะมันอันนี้อยู่มันสำรวมระวังอยู่พูดออกไปแต่ละคาแต่ละเรื่องมีสติอยู่ เมื่อมันมีสติอยู่นี่มันก็สรรหาเอาแต่เรื่องที่มันดีนะั่นแหละมาพูดกันเรื่องไม่ดีก็ไม่เอามาพูดนี่เรียกว่าเป็นผู้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ในใจคือมีธรรมอันเป็นฝ่ายกุศล น, นะเป็นเครื่องอยู่ในใจแล้วคนเราก็ไม่ได้ทาความชั่ว ด, ด้วยกายด้วยวาจาเมื่อเป็นเช่นนี่บาปมันก็ย่อมหมดไปหมดไปอืม เพราะว่าใจไม่ไปฝักไปกับมันไม่ได้สร้างมาขึ้นมาพระพุทธเจ้าสอนให้พูกพุทธบริษัททั้งหลายเพียรละบาปแล้วก็เพียรบำเพ็ญบุญกุศลให้เกิดขึ้นในตนนี่ด้านหลักของพุทธศาสนาเนะเราจะไปดูอย่างอื่นอะไรอ่ะดูใจของตัวเองเนี่ย วันหนึ่งๆงคืหนึ่งๆมันคิดเป็นบาปมีไหมกี่ครั้งเช่นมันคิดโกโรธให้คนนั้นคนนี้มีไหมอย่างนี้นะมันคิดโลภอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นที่เราจะต้องใช้สอยแต่มันอาศัยความอยาก มันทำให้จิตเกิดทะเยอทะยานขึ้นอย่างนี้มีไหมอันเป็นหน้าที่ของเราจะต้องดูใจตัวเองทุกคนนั่นะเมื่อเมื่อกำหนดดูใจแล้วมันไม่มีวันหนึ่งหนึง่งคือหนึ่งหนึงน่งไม่คิดอยากได้อะไรในสิ่งที่ไม่จำเป็นต่อชีวิตแล้วก็ไม่ได้โกรธใคร มีสติสำรวมระวังจิตใจเสมอเวลามีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งมาก็ไม่ตื่นเต้นไม่วันไวกับอารมณ์กับเรื่องที่บุคคลอื่นหยิบยื่นออกมาให้เพราะมีสติคอยควบคุมจิตอยู่เสมอมันถึงไม่ตื่นเต้น มันจึงไม่หวั่นไหวไปด้วยความรักความชังความโกรธอย่างนี้แหละเราต้องรู้ตัวนะว่าตัวตัวเองมีความเพียรสำรวมจิตอย่างนี้อยู่ก็รู้ตัวตนเองขาดความเพียพรเผลอสติไปบ่อยๆก็รู้ตัวว่าตนเผลอ ถ้ารู้ตัวได้อย่างนั้นยังชั่วนะก็จะได้ตั้งสติเข้าไปสำมรวมจิตใจไปใหม่ไอ้คนที่ไม่รู้ตัวนั่นสิมันลำบากนะนั่นเนี่ยคนที่ไม่รู้ตัวมันลำบากทำไปพูดไปเพ้อไปใครตักเตือนจะบอโกรธสำคัญตนว่าดีอยู่ แต่ในส า, สายตาของผู้อื่นเห็นว่าไม่ดีนี่คนลืมตัวคนไม่รู้สึกตัวแล้วก็ไม่ยอมให้คนอื่นตักเตือนเนี่ยผู้เช่นนั้นน่ะจะพ้นทุกข์ไปได้ยากข่้นเมื่อใครรู้ตัวว่าตนนั้นมันอ่อนแออยู่สติอ่อนแอความพลังเผือมีอยู่ ก็ภว ร, รณาตนต่อเพื่อนอถ้าเห็นฉันพังเผย อ, อะไรเมื่ อ, อไรขอให้ตักเตือนได้เลยอขอให้มีความเมตตาต่อช่วยตักเตือนอย่างนี้นะฉันเมื่อตนพังเผอไปเพื่อนตักเตือนก็รู้ตัวรีบสังวรระวังต่อไปอันเช่นนี้แล้วมันก็ ความพังเผยมันก็จะน้อยลงน้อยลงพอมีคนตักเตือนแล้วมันตื่นตัวนี่มันสังวลระวังนี่รู้ตัวว่าตนเนี่ยพังเผอบ่อยๆชีวิตที่อยู่ด้วยความประมาทอย่างนี้นะ่ะเป็นชีวิตที่ไม่เจริญหาความสุขไม่ได้ก็เตือนตนเข้าไปอย่างนี้นะ มันก็ค่อยมีสติสัมปชัญญะขึ้นเรื่อยๆไปความพลังเผอมันก็ น, น้อยลงอันนี้แหละที่ว่าพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่วก็คือเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะนี่เป็นธรรมคุ้มครองจิตใจนี่อยู่เสมอไปแล้วก็มีคุณธรรมอื่นๆประกอบด้วย เช่นความอดความทนมูเนียความเมตตาการุณามูเนียต้องสร้างให้มันเกิดมีขึ้นในใจของตนความอดทนนี่ต้องถือเป็นคุณธรรมเป็นรากฐานของชีวิตจิตใจ ถ, ถ้าจิตใจของผู้ใดขาดรากฐานอันมั่นคงคือความอดทนนี่ล่ะ ใจผู้นั้นจะไม่ตั้งได้เลยเลื่อนลอยให้พึ่งเข้าใจเหมือนอย่างบุคคลผู้ที่ปลูกบ้านสร้างเรือนสร้างอาคารอันถาวรมั่นคงเขาจะต้องทำรากฐานให้แข็งแรงเพื่อไม่ให้มันทรุดให้มันรับน้ำหนักได้ นั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงได้ตอกเข็มลงไปอืเอาช่วยให้เข็มบันนั้นน่ะมันรับน้ําหนักของอาคารนั้นไว้ไม่ให้มันซุดลงไปอาคารนั้นมันก็ตั้งอยู่เสมอไม่เสียไหายอะไรอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละคนเราถ้าสร้างความอดความทน ลงในใจให้เต็มที่แล้วก็จิตใจนี่ก็เข้มแข็งหนักแน่นย่อมไม่วันไหวต่อธรรมชาติหรือว่าสิ่งเรื่องต่างที่กระทบกระทั่งมา mm hmm. เมื่อจิตไม่วันไหวแล้วมันก็มีปัญญาพิจารณาเรื่องนั้นได้ mm hmm. ถ้าวันไหวไปตามเธอแล้วไม่มีปัญญาเลยพิจารณาก็ไม่ได้ คำว่ามันร่อนไหวแล้วก็มันเสียใจแหละไม่เสียใจก็ดีใจอะไรเปทำนองนี้นะนนการที่เราจะพิจารู้เท่าเรื่องใดๆก็ดีมันก็เพราะอาศัยจิตตั้งมั่นลงไปนั่นแหละ <c oughs> เมื่อจิตตั้งมั่นลงไปแล้วอะไรมาถึงเข้ามันก็รู้มันก็กำหนดรู้ เหมือนอย่างเราจ้องสายตาอยู่ยนีนะ่เมื่อมีสัตว์หรือมีอะไรผ่านมาสายตานี่มันก็เห็นได้ชัดเลยโอ้อันนี้แมวอันนั้นสุนัขอันนั้นเด็กอะไรมันก็แล้วแต่อันใดจะผ่านมามันมันก็รู้ได้ทั้งนั้นเลยสายตานี่มันมตามันดีน ะ, อะไอ้จิตใจภายในก็เป็นเช่นนั้นแหละเราพยายามชำละไอ้มันผ่องใส เหมือนอย่างตาภายนอกเนี่ยอย่าให้ตาภายในมันมืดมันมัวอือันจิตใจมันจะผ่องใสได้ก็เพราะอาศัยการทําให้สงบเป็นสมาธินั่นแหละให้เข้าใจเพราะว่าจิตนี้ถ้ามันรวมลงได้ล่ะแสดงว่ามันละอารมณ์อารมณ์ที่ให้เกิดความรักอารมณ์ที่ให้เกิดความชังความวาวาห อารมณ์ที่ให้เกิดความเกลียดครานห้วงเงาอารมณ์ที่ให้ปั่นจิตให้พุ่งสัน้นให้คิดไปไม่มีสถานีอารมณ์ที่มายั่วใจให้เกิดความสงสัยลังเลในเรื่องบาบุญคุณโทษต่างๆจิตมันคลายอารมณ์นี่หมดแล้วมันจึงรวมลงเป็นหนึ่งได้หมายก็มาอย่างนั้นถ้าหากว่า จิตนี่ยังคลายอารมณ์ทั้งห้าอย่างนี้ออกจา ก, กจิตไม่ได้จิตนี่จะไม่สงบลงได้เลยมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็มัวหมองไม่พองใสเป็นปอย่างนั้นดังนั้นการที่จิตจะรวมลงเป็นหนึ่งได้มันต้อง กำหนดละอารมณ์ทั้งห้าอย่างนี้เสียก่อนทุกคนต้องศึกษารู้จักอารมณ์ที่เป็นค่าศึกแก่ความสงบให้ได้เบญง้นถ้าไม่ไม่รู้จักอารมณ์ที่เป็นค่าศึกแก่ความสงบแล้วจะทำจิตให้สงบลงไม่ได้เลยเพราะว่า อารมณ์เหล่านั้นเป็นข้าศึกรบกวนจิตใจให้ฟุ้งอยู่อย่างนั้นถ้าบุคคลมีสติสมบัติเสถียเข้มแข็งอย่างนี้นะมเมื่ออารมณ์ใดเกิดขึ้นในจิตมันก็รู้อพอมันรู้แล้วมันก็กำหนดละทันที อ, อย่างนี้แหละมเมื่อมันเผยเสียงใดมันเกิดขึ้นในใจมันกำหนด ละไปเรื่อยไปละแล้วไม่พุงไม่แต่มมันขึ้นมาอีกอมีสติสกดจิตนั้นไวเสมอไม่ให้มันเลื่อนลอยไปตามอารมณ์ต่างๆจิตนี่มันจะตั้งมั่นอยู่เลยอาศัยสตินั้นประคองไว้อาศัยขันติความอดทนช่วยช่วยให้มัน กำหนดละกิเลสอันเป็นค่าศึกแก่ของสงบดังกล่าวมานะนะให้เข้าใจเราจะไปนั่งอยู่เฉยๆไม่อดไม่ทนไม่สะกดจิตไม่ประคองจิตไว้ด้วยสติด้วยขันติความอดทนเลยอย่างนี้ไม่ได้แล้วจิตนี้มันก็ปรุงแต่งกิเลสขึ้นมาเละมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นคนทั้งหลายเมื่อบน ให้ฟังอยู่เลยว่านั่งภาวนาจิตสงบไม่ได้บ้างอ้าวจิตสงบไม่ได้แล้วเพราะว่าทาจิตให้อ่อนแอไม่เข้มแข็งการภาวนาเนี่ยมันต้องทำจิตให้เข้มแข็งจริงๆต้องกล้าหาญนั่นแหละต้องทำใจกล้าหาญจริงๆ อันนี้เป็นบทบาทเบื้องต้นเลยเอาละเราจะสู้กับมารคือกิเลสนั่งสมาธิลงไปถ้าจิตไม่สงบแล้วเราจะไม่ออเลิกจากนั่งสมาธิพอที่ฐานใจลงอย่างนั้นแล้วก็เ่งลมหายใจเข้าหายใจออกนึกถึงคุณพระตนากรเป็นอารมณ์ก่อนเป็นที่พึ่งก่อนแล้วต่อจากนั่นก็ เ่งลมหายใจเข้าหายใจออกเข้าไปมีสติประคองจิตไว้มีคันติความอดกั้นทนทานเข้าไว้มันจะร้อนจะหนาวจะเจ็บจะปวดไปบ้างก็อดเอาทนเอาถ้าไม่เหลือวิสัยนะนนเมื่อเรามีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจ เช็นนั้นแล้วใจนี่มันก็ค่อยหนักแน่นเข้าไปเรื่อยๆมันก็สงบลงได้นี่พากันเข้าใจแถ้าไปนั่งสมาธิแล้วปล่อยให้ใจลอยลมอยู่อย่างนั้นน่ะไม่ขมให้มันสงบไปสะกดลงไปอย่างนี้มันไม่สงบได้จริงๆนะให้เข้าใจสงบไม่ได้ ดัวนั้นเราต้องอดต้องทนสู้กับกิเลสไอที่มันไม่มีอารมณ์อื่นเมื่อเราภาวนาลงไปแต่กิเลสบางอย่างมันก็ปั่นจิตให้คิดลอยไปอย่างนั้เฉยๆนี่นะจะว่าคิดเป็นบาปก็ไม่ใช่คิดเป็นบุญก็ไม่ใช่ คิดลอยๆไปอย่างนั้นนั่นแหละคือมานอันหนึ่งท่านเรียก ว, ว่าอุทธจักกูกุจักจิตพุ่งสั้นตัวเองไม่อยากคิดแต่มันก็คิดขึ้นมาจนเกิดความลำคาญขึ้นในใจที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไระก็เพราะสติมันอ่อนขันปีความอดทนก็อ่อนแ อ, อความสะกดจิตใจก็ไม่มี การสะกดจิตการพรมจิตไปอย่างนั้นมันมันก็ยุ่งยากพอได้เหมือนกันแหละมันก็วุ่นวายแต่เราไม่ท้อถอยอุบายธรรมะดังที่แนะนำนี้ไม่เช่นนั้นแล้วมันจะไม่ได้เห็นอานิสงส์แห่งการปฏิบัติธรรม ไม่เห็นอั น, นิสงส์แห่งสมาธิภาวนานี่ต้องให้เข้าใจโดยเฉพาะผู้เป็นนักบวชนี่มันจะต้องอยู่ได้ด้วยสมาธิภาวนาการประพฤติพรหมจรรย์นี่นะอัญชาม้านนั่นเรียวว่ามันมีทางอยู่หลายทางการที่มันไม่เป็นทุกเดือดร้อนหลายนั่นนะ มันสายยานคู่ครองเรือนทั้งหลายนั่นดูแต่สินเถอะที่พระพุเทธเจ้าทรงบัญญัติไว้นั่นมันก็มีหย่อนยานอยู่สำหรับสินของพระอย่างนี้มันปรตรึงกว่าสินของญาติโยมเป็นบางข้อแต่บางข้อก็อันเดียวกัน ปอย่างนั้นเช่นอย่างศีลของญาติโยมข้อสามนั่นการเมสมิชาจา์อย่างนี้สำหรับผู้ครองเรือนแล้วห้ามไม่ให้ประพฤตินอกใจเมียไม่ให้ประพฤตินอกใจผัวในทางกามคุณอย่างนี้ถ้าสำรวมระวังไม่ประพฤติล่วงใจของการการอย่างว่านะ ยินดีต่อกันและการโดยเฉพาะอย่างนี้มันก็ไม่เป็นบาปเป็นโทษเป็นอย่างนั้นแต่สําหรับนักบวชเราไม่ได้เลยต้องเว้นให้เด็ดขาดไปเลยอันนักบวชนี่ส่วนมากก็เว้นทางกายทางวาจาไปได้แต่ทางจิตใจนั่นสิมันยังเว้นไม่ได้จิตใจมันยังเพ่งเลงไปอยู่ มันเป็นอย่างนั้นต้องรู้ตัวผู้เป็นนักบวชนะอย่าให้มันเพ่งเลงไป <c oughs> มันจึงสมกับว่าเราเป็นนักบวชหรือเราประพฤติพรหมจรรย์คำว่าพรหมจรรย์แปลว่ า, าประพฤติอย่างพรหมประพฤติอย่างพรหมก็เรียกว่าเราทำจิตให้เป็นอุบเบกขานะ่ยแหละะ มีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขาอยู่ในใจมีคุณธรรมสี่อย่างนี่อยู่ในใจจึงเรียกว่าผู้ประพฤติพรหมจรรย์เป็นอย่างนั้นถ้าไม่เช่นนั้นแล้วพรหมจรรย์ของคนนั้นก็ย่อมเศร้าหมองย่อมไม่มีอะไรสงฆ์มากเป็นอย่างนั้น ดังนั้นเราต้องทำความเพียรจริงๆมีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจเสมอไปแม้จะเป็นเพศครืงหัดนุ่งรำห่มดำแต่จิตใจนันพิจารณาเห็นโทษแห่งความวุ่นวายการอยู่ในโลกอันนี้ปรารถนาอยากจะให้พ้นจากโลกอันนี้ไป เช่นนี้มันก็ไม่ขัดข้องนี้หาหนทางหาอุบายปรีกตัดแตนตนออกจากความวุ่นวายยุ่งยากเป็นครั้งเป็นคราว <c oughs> เข้าไปอย่างนี้มันก็จะได้มองเห็นหนทางเห็นความสงบสุขทางจิตใจ คนเราเมื่อได้รับความสงบสุขทางจิตใจแล้วมันก็ไม่ปราถนาไอความอุ่นวายต่างๆมันเป็นอย่างนั้นอันผู้ที่ทนใจเข้าไปชอบใจอยู่ในป่าในเขาในที่สงบสงัดนี่ผู้ผู้เช่นนี้เรียกว่าเป็นผู้เห็นอานิสงส์แห่งสมาธิภาวนา คือเห็ น, นสงแห่งความสงบจิตไอ้ความสงบภายในกับความสงบภายนอกมันเนื่องกันถ้าจิตได้สัมผัสกับความสงบอยู่ภายในแล้วเช่นนี้มันก็ยินดีอยู่ในความสงบภายนอกด้วยอมันเนื่องกันภายนอกกับภายในถ้าว่าจิตฟุ้งซ่านเลื่อนลอย อยู่แล้วภายในแล้วนี่มันก็อยู่ในที่สงบสงดไม่ได้มันต้องไปอยู่ในที่วุ่นวายที่ลื่นเล็งบันเทิงไปต่างๆนานาอย่างนั้นแหละมันก็ไปตามเหตุตามปัจจัยของมันนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้ น, นเรื่องหัวนี้ มันก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาบ ร, รมีของบุคคลถ้าผูใ้ใดได้สั่งสมอบรมบุญบา ร, รมีมาแต่ก่อนมันมากพอสมควรมาในชาตินี้นะ่ะบุญบา ร, รมีอันนั้นแหละมาดนจิตดนใจให้เห็นโทษแห่งความหุ่นวายขอมพุ่งสร้างต่างๆของขจิตใจและเห็นความหุ่นวายภายนอกอีกด้วย มันเป็นอย่างนั้นก็เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเลยพระองค์ครองเราจะสมบัติไปพระองค์ก็ไม่ได้หลงไหลมัวมอยจั้งร้อยเปอร์เซนต์ในกรารมคุณนะแบ่งไห้แบ่งเสียอยู่เมื่อบุญบา ร, รมี อินทรีย์มันแก่กล้ามากขึ้นเต็มที่แล้วมันก็เป็นเหตุให้พวกองค์คิดได้เลยวันนี้นะนั่นเนี่ยคิดถึงชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอะไรเลยเกิดมาแล้วก็แก่เจ็บตายตายแล้วก็ไม่เห็นได้อะไรติดตัวไปเหลือแต่สแสวงหาเหลือแต่สะสมไม่มากมายกายกอง เมื่อตายแล้วก็ไม่เดาอะไรติดตัวไปเลยแต่เมื่อเวลายังไม่ตายนี่ก็เป็นทุกข์เพราะการแสวงหาเพราะการรักษาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆมู่นี่นนำมีซ้ำร่างกายในผสุดทรงความแก่ความชราก็บีบคั้นเอา ไม่ได้มีกำลังวังชาสม่มเสมอไปอเมื่อเข้าสู่ปชิ ม, มไวัยเข้าไปแล้วร่างกายก็สุดสมอ่อนแอลงมีแต่โรคภัยเบียดเบียนในที่สุดก็แตกตายทำลายขันไปทําช่ไหนหนอเราถึงจะไม่เกิดอีกเพราะร้อมเกิดนี่นะ่ะเป็นเหตุ ให้ได้รับความวุ่นวายเดือดร้อนอย่างนี้เ อ, อถ้าถ้าไม่ต้องการจะเกิดอีกมันก็ต้องละตันหาเลย เ, เราจะมองเพียนละตันหาอยู่ในพระราชวังอันโอถงอันนี้มันไม่ได้แวดล้อมอยู่ด้วยกามคุณทั้งห้ารูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัส ล้วนแต่ดีๆงามๆทั้งนั่นเลยอย่างนี้ฉะไหนมันจะผ่านพ้นมันไปได้อย่าเลยเราจะต้องสละทิ้งไปมันถึงจะเสวงหาทางที่ไม่ต้องเกิดอีกได้จึงจะพบทางที่ไม่ต้องเกิดอีกต่อไปเมื่อพระ อ, องค์ลำพึงอันนี้เต็มที่แล้ว ก็วางแผนหนีออกจากพระราชาวังไปไม่ให้กระทบกระเทือนกับผู้ใดกับสิ่งใด <c oughs> แล้วในที่สุดพระองค์ก็พ้นจากความวุ่นวายอันนั้นจริงๆ <c oughs> เมื่อพระองค์สละออกไปภาคเปียนพยายาม <c oughs> ไม่ท้อไม่ถอยนี่แหละพระพุทธเจ้านั้นเป็นตัวอย่างของชาวโลกทั้งหลาย ถ้าผู้ที่อินที์บรมียังไม่แก่กล้านั่นก็ต้องประพฤติปฏิบัติธรรมไปอยู่ในเพศของตนนั่นแหละใครอยู่ในเพศไหนก็ประพฤติปฏิบัติธรรมรักษาจิตใจตัวเองไปอย่าให้มันเอียงไปทางอากุศลธรรมอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละใจของเราสุ่มเช่น ทุ้มเทื่นอยู่ด้วยบุญด้วยคุณเสมอไปแต่ละวันแต่ละคืนอย่าให้มันเอ็นไปในทางอากุศลก็ใช่ได้นี่ก็ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมอา น, นิสงส์แห่งผู้ที่รักษาจิตใจทุงจนให้เป็นปกติอยู่ในกุศลธรรมก็นำมาซึ่งความสุขความสบายใจ ตัณหาก็ครอบงำจิตใจไม่ได้เมื่อนคนเราเนี่ยหากไม่ปล่อยให้ตัณหามันครอบงำจิตใจอย่างมากมายแล้วอย่างนี้มันก็แสนมีความสุขใครอยู่จะอยู่ในเพศไหนก็ตามแต่ว่าผู้ที่อยู่ในเพศบัณชิตนี่แหละนับว่าจะมีความสุขมากถ้าไม่ประมาทนะ เพราะว่ามันไม่มีเรื่องที่จะให้เกิดความยุ่งยากของมกังวลอะไรมากมายนักหนาเรียกว่าเป็นผู้ละกิเลสส่วนยำหยากของนั้นมามากต่อมากนะพูดง่ายๆว่าโดยคุณธรรมแล้วก็เป็นผู้มากน้อยสันโดษชอบสังงดัดปรารกความเพียนพยายามฝึ ก, กจิตใจของตนให้เข้มแข็งตั้งมัน่น พยายามอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นสอนใจของตนให้ละกิเลสอันใดที่มีอยู่ในจิตใจที่ตนยังละไม่ได้มันมีโอกาสผาาเกียนได้เต็มที่เป็นนักบวชนี่เพราะไม่เกี่ยวกับการค้าการขายการหาลาภายศอะไรต่ออะไรเป็นผู้มักน้อยอาหารก็เพียงแต่วันละมื้อเท่านั้น ก็ประทังชีวิตยอยู่ได้แล้วปัจจัยอื่นเครื่องชใช้ไม่สอยอื่นใดก็ยินดีตามมีตามได้มีผู้ให้มาอย่างไรก็ใช้ไปอย่างนั้นไม่เถเยอพยานในเรื่องเครื่องชใช้ไม่สอยต่างๆเศนาสนะที่อยู่ที่อาศัยก็เหมือนกันนะอา้อาวเขาสร้างถวายให้อยู่อย่างไรเราก็ รักษาดูแลยินดีอยู่อาศัยปฏิบัติทมไปตามบุญวาสนาของตนนั้นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยลงอย่างนี้ก็ไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจว่าไม่มีใครเหลียวแลรักษาอไอ้เรื่องหมดนี้มันก็ขึ้นอยู่กับบุญกับวาสนาของใครของเรา ถ้าภูไทยมีบุญวาสนาตั้งแต่ก่อนเคยช่วยเหลือเพื่อนอมนุษย์ด้วยกันเคยช่วยรักษาพยาบาลคนเจ็บคนป่วยมาแต่ก่อนอย่างนี้นะอานิสงส์นนั้นก็ติดตามมาผอมาเกิดศาตร์นี้เอาตนเองเจ็บไข้ได้ป่วยลงก็มีผู้มองเห็นมีผู้เอ็นดูกรุณา ช่วยเหลือเพื่อคูนเต็มที่ก็ด้วยอานิสงส์ที่เราได้ทำความดีกับเพื่อนมนุษย์ด้วยการมาแต่ก่อนดังกล่ามานั่นเองถ้าผู้ใดเอาแต่ตัวรอดผู้เดียวใครจะเจ็บจะใข้ใครจะเป็นอะไรก็ไม่เหลีวแลกันไม่คิดเมตตาช่วยเหลือกันอย่างนี้เราเกิดไปชาติใดมันก็ไ ม, ม่มีใครเหลีวแล เมื่อตนเจ็บไข้ได้ป่วยถึงโคมิบัติลงอแล้วเราจะไปโทษคนทั้งหลายว่าไม่ช่วยตนไม่เลียงแลต้อย่างให้โทษไม่ได้เพราะมันเป็นไปด้วยบุญกรรมที่ตนสร้างมานั่นแหละมันบุญตนน้อยในเรื่องนี้นะ่ะหมายความว่าการตนไม่ได้สร้างมันมาอมันถึงไม่ได้โดนใจให้ คนทั้งหลายได้มองเห็นได้มีเมตตาสงสารจึงสมกับที่พระองค์เจ้าจัดก็ผูดด้ใดทำกรรมอันใดก็ต้องได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นนี่นะพุทธภารรษิตข้อนี้เป็นอมตนะเลยจริงเลยทีเดียวอ่ะแต่คนส่วนมากไม่ค่อยสนใจเนะี่ไม่ค่อยกำหนดรู้ไว้ในใจเพราะฉะนั้นนะ่ะมันจึงเดือดร้อนนั่นแหละ เวลาตนถึงความวิบัติอะไรลงมาหากไม่มีใครเหลียวแลช่วยเหลือบ้างก็น้อยเนื้อต่าใจโอดครวนต่างๆนานาออย่างนี้นะก่อนที่จกว่ามันไม่รู้แจ้งในกรรมดีกรรมชั่วไม่รู้จักผลไม่รู้แจ้งในผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วอย่างที่ว่านี่แหละถ้าผู้ใดภาวนาอยู่เสมอเสมอ ไอตัวของตัวเนี่ยมีกรรมเป็นของตนน่ะตนทำกรรมอะไรมาตนก็ได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นถ้าพิารนานี่อยู่เสมอเสมอมันจนมันเกิดงานความรู้คุณในเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมอย่างว่านี่แล้วมันจะไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนเลยอ่าเวลาตนเจ็บไข้ได้ป่วยลงสังเกตดูไม่ค่อยจะมีใครเหลียวไหลเอ็นดูเท่าไหรนะ่นัก อย่างนี้เออแต่ก่อนนี้เราคงไม่ได้ทำความดีประเภทนี้มาเอาละถ้าอย่างนั้นในชาตินี้เราก็ต้องเสวยผลแห่งกรรมอันนี้ไปอืมก็ก็ก็กแล้วเรื่องไปเพราะว่าชีวิตนี้เป็นอยู่ด้วยกรรมดีกรรมชั่วถ้าบุญกรรมยังมีอยู่เจ็บป่วยลงมันก็ยังไม่ตายอืม เราต้องเชื่อลงอย่างนี้นะแม้ว่าจะไม่มีใครรักษาแล้วแลยก็ไม่ตายบุญนั่นแหละรักษาไว้อืมัมนเป็นอย่างนั้นอย่างพระพุทธเจ้านั่นนะพระองค์อดนอนผ่อนอาหารร่างกายสูผ้ผอมยังเทนหนังติดกระดูกไม่มีใครเหลียวเลยพระองค์เลยอพระองค์ก็ยังไม่ ดับขันในขนาดนั้นนี่นด้วยบุญบา ร, รมีที่พระองค์ได้สั่งสมมามากมายมนุษย์มองไม่เห็นเทวดาเห็นแล้ววะเนี่ยเทวดาก็เอาโอสดเป็นทิพมาใส่เข้าทางรูขุมขนนี่เข้าไปทุกขุมขนเข้าไปอาหารอันเป็นทิพนั่นอะ ก็ไปรอเลี้ยงร่างกายของพวกองค์ไว้ไม่ให้แตกดับทาลายไปก่อนนี่พูดตามตำราเนี่ยอันกล่าวไว้อย่างนั้นนี่แหละขึ้นชื่อว่าบุญกุศลแล้วนะยอมติดสอยห้อยตามบุคคลผู้สั่งสมอบรมไม่เกิดปีขึ้นในตนไปทุกแห่งทุกหนทุกชาติทุกภพกไปในเมื่อบุญกุศลนั่นยังไม่หมดอายุมันนะ มันก็ตามอํานวยความสุขความสบายให้ตามกําลังของบุญที่ตนกระทำมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพุทธบริษัททั้งหลายนะอย่าอย่าไปละเลยไอ้เรื่องกรรมดีกรรมชั่วนี่นะต้องมันเอาไปพิจารณาอยู่เสมอเสมอคําว่าทํากรรมดีอย่างนี้นะ มันมีความหมายจนสูงสุดถึงปานิพานนู่นเขามาทํากรรมชั่วอย่างเนี้ยมันก็มีความหมายไปโดยลําดับเลยทําำรมชั่วอย่างหนักจนถึงอะเวจีมหานรกนู่นออย่างนี้แหละแต่ว่าคำสองคานี่นะมีความหมายอย่างกว้างขวางพิสดารไม่ใช่น้อยดังนั้นต้องพิจารณาพระพุทธเจ้า จึงได้ทรงสอนให้พิจารณาทุกวันทุกวันนะที่ว่าเรามีความแก่เรามีความเจ็บเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายนี้ไปไม่ได้เลยอืมเราจะต้องพัดภาคจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นไปเราทํากรรมอันใดไว้ดีก็ดีชั่วกว็ดีจะได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นสืบต่อไป นี่ทรงสอนในพิรณาทุกวันทุกวันนะในตำราเพราะนั้นให้พึ่งพากันปฏิบัติตามอย่างนี้เสมอเสมอเมืม่อบุคคลมาหมั่นนึกถึงความแก่ความเจ็บความตายเป็นอารมณ์อยู่เนี่ยนึกก็ต้องนึกเพ่งเข้าในนะไม่ใช่นึกลอยออกไปข้างนอกเมื่อนึกเข้าในเพ่เพงพิรณาอยู่ภายในบ่อยๆความมันก็เกิดงานความรู้ขึ้น เรีว่ารู้แจ้งรู้เท่าเลยรู้เท่าเห็นเป็นเรื่องธรรมดาแบบนี้นะรู้ไปถึงอนัตตาลุปัสนาญาณเพ่งพี่นะไปวัยเข้าก็าจนเห็นแจ้งว่าอ้าวมันมันไม่มีคนแก่ไม่มีคนเจ็บไม่มีคนตายมันมีิธีธาตุสี่ขันห้ามันวิบัติแปลปลวนไปเมื่อมันหมดเหตุหมดปัจจัยมาแล้วมันก็แตกดับทำลายลง นี่นะการพิจารณาปั จ, จเวหะนี่ถ้าพิจารณาเป็นมันก็ถึงเป็นสมถะเป็นวิปัสนาไปมันเปนอย่างนั้นเรื่องมันนะถ้าพิจารณาจริงจังลงไปนะไม่ท้อไม่ถอยนะ <c oughs> การพิจารณาที่ว่าเราจะต้องพลัดพากจากทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไป เรารักเราใคร่เราพอใจในสิ่งใดเราก็จะต้องพัดพากไปหมดเลยถ้าพิจารณานี่ทุกวันทุกวันอยู่จิตใจมันก็ไม่หลงรักหลงใคร่กับสิ่งใดเลยเอาพอจิตว่ามันจะไปพอใจกับสิ่งใดมันก็นึกได้เลยือ hmm. จะไปพอใจอะไรมันจะต้องไปพัดพากจากมันอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี้ย hmm. มันเตือนตนได้นะ ม, นมันนอนนึกบ่อย เป็นานัถ้าไม่มันนึกบ่อยๆแล้วบังเอิญว่าของรักของชอบใจอะไรมาจากภาคไปพัดภาคไปอย่างนีน้เสียใจขึ้นมาเลยต ก, ตกใจบ้างเศร้าโศกบ้างไปอย่างนั้นแหละอย่าว่าแต่คนอื่นจะพลัดภาคไปตนเจ็บป่วยลงเมื่อ หมอบอกว่าไม่ได้แล้วช่วยไม่ได้รักษาไม่ได้แล้วอรงนี้ตกใจขามเลยคนไม่ได้พิจารณาเรื่องความจริงอันนี้นะ่ะบ่อยๆนะอกลัวตายแล้ววันนี้นะัน่นอันนี้แหละได้ชื่อว่าเรามาประพฤติธรรมกันเท่าที่บรรยายให้ฟังมาโดยลําดับนี้ ก็เรียกว่าการประพฤติทำปฏิบัติธรรมถ้าจะพูดให้ชัดๆลงไปก็เรียกว่าเรามาพิจารณารูปกทำนามธรรมเนี่ยเสมอๆนามธรรมย่นเข้าได้แก่ดวงจิตนั่นแหละเอาเอาจิตดวงเดียวนั่นแหละนามธรรมมันก็เกิดจากจิตนั้นเมื่อเราควบคุมจิตได้แล้วนามธรรมไม่มีปัญหาอะไรเลย มันก็เกิดดับอยู่อย่างนั้นตามเรื่องของมันน่ยเช่นเวทนาอย่างนี้นะสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่หน่อยหนึ่งแล้วดับไปทุกเกิดขึ้นมาแทนทุกตั้งอยู่หน่อยหนึ่งแล้วก็ดับไปสุขเกิดขึ้นมามันก็เป็นอยู่อย่างนี้อันเวทนาก็ได้ไม่มีอะไร ย, ยั่งยืนสัญญาความจาหมายอย่างนี้นะมันก็จาเรื่องนี้แลนอยหนึ่งพเรื่องดับจากเรื่องนี้ไปจาเรื่องอื่น อจะดับจากเรื่องนั้นไปจาเรื่องอื่นต่อไปอีกยุ่งเนี่อพิจารณาให้มันเห็นความจริงว่ามันไม่มีมันไม่มีกิรังยั่งยืนอะไรสัญญาความจําำหม่แต่ว่าเมื่ อ, เ ม, อเมื่อจิตใจมันหลงแล้วมันหงุดหงิดยิ น, ยนร้ายไปตามสัญญานะบระเี้นะนั่นแหละขอ้ขอสําคัญมาอยู่ตรงนี้แหละถ้าเราพิจารณาบ่อยๆจนรู้ความจริงว่ามันไม่มีสาระแกนสารอะไร อย่างนี้แล้วจิตจะไม่หลงยินดียินไล่ไปตามความจําความหมายอันนั้นหมายเขามายอย่างนั้นคําว่าการปฏิบัติทำเนี่ยสังขารสภาพที่ปรุงแต่ง จ, จิตใจคิดดีคิดชั่วคิดไม่ดีไม่ชั่วหมดนี่ความคิดทั้งหลายเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปไม่มีอะไรตั้งยั่งยืนอยู่ได้เลยถ้าหาว่าความคิดของคนเรานี่มันตั้งอยู่ได้เป็นลูกเป็นร่างขึ้นมาไม่มีที่ไว้เลย เพราะแต่และคนได้มีความคิดหลายเหลือเกินน ะ, อะลองคิดดูว่ามันไม่มีอะไรที่จะยังย่งยืนอยู่ได้ความคิดทั้งหลายมันเกิดแล้วดับไปอยู่นั้นแต่จิตใจมันงหลงไปตามความคิดเฉยๆจิตใจไม่ตั้งมัน่นจิตใจไม่มีปัญญาก็หลงหลงความคิดของตัวเองอตัวเองยินดีกับสิ่งใดไปก็เอ้า ลงยินดีไปอยู่งั้นแหละไม่รู้ตัวเลยว่าความยินดีอันนั้นเน่ยมันมีทุกมันเป็นทุก์หรือมันเป็นสุขมันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงอไม่ได้คิดเลยท่านผู้ที่ปฏิบัติธรรมนี่หมายความว่าเมื่อเผลอเกิดความยินดีกับอะไรขึ้นมาแล้วรู้ตัวทันทีว่าอืนี่ไม่ถูกทางแล้วไม่ใช่แล้วอย่างนี้นะผมรู้ตัวนะมันก็ ตั้งสติสำรวมจิตต่อไปไม่ไม่ยินดีในเรื่องนั้นต่อไปอีกความยินดีแล้วมันก็ดับไปอย่างนี้แหละถ้ามันเผอเผอยินร้ายกับอะไรขึ้นมาอย่างนี้ก็รีบรู้ตัวละเออทนี่ก็ไม่ถูกทางอีกแล้วไม่ใช่ทางสายกลางแล้วนี่เหมือนกํนกหนดละความยินร้ายอนั้นลงไปแล้ว ส, สำรวมจิตประคองจิตไวให้เป็นหนึ่งอยู่ ความยิ่งไลมันก็ดับไปเองจิตไม่ผักไปกับมันมันก็ดับไปอ่ามัเป็นอย่างนั้นอันนี้เรียกว่าสังขารท่านว่าสังขารขันวิญญาณขันบน่เนี้วิญญาณขันนี่มันก็รู้วิญญาณตาวิญญาณหูวิญญาณจมกูกวิญญาณลิ้นวิญญาณกายวิญญาณใจเหล่านี่มัน มันมีหน้าที่รู้เช่นวิ ญ, ญญาณทางตาก็มีหน้าที่รู้รูปที่มากระทบตาวิญญาณทางหูก็มีหน้าที่รู้เสียงที่มากระทบหูจะเป็นเสียงดีเสียงชั่วเสียงไม่ดีไม่ชั่วอะไรมันก็รู้ทั้งนั้นเลยอืวิญญาณจ ม, มูก ok, วิญญาณลิน้นวิญญาณกายวิญญาณใจมันก็ทำหน้าที่ของใครของเราไปอย่างนั้น แต่เมื่อไม่มีปัญญากรรมกับความรู้อันนั้นน่ะจิตใจมันหลงยิน ด, ดีนร้ายไปตามนี่มันเป็นอย่างนี้เรื่องมันนะ่ะแต่ถ้าหากว่ามันอบรมสมาธิให้เกิดขึ้นปัญญาบางเกิดแล้วอะไรมาสัมผัสอายตนะทั้งหกภายในหกอันนี้นะ่ะมันก็รู้เท่าทัน มันก็ไม่หลงยินดีไม่หลงไม่หลงยินร้ายไปตามมันพิจารณาเห็นลงเป็นสภาวธรรมไปตามสภาพความจริงความจริงกเปไปอย่างนั้นจริงๆมีเกิดขึ้นแล้วก็มีดับไปความคิดความหมายความจําความรู้ต่างๆหมนี้นะมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่ทวนดวงจิตเดิมใจเดิมแท้มันไม่เกิดไม่ดับไปไหน มันเป็นอย่างนั้นมันมีสภาพรู้อยู่อย่างนี้นะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พึ่งพากันเข้าใจวันนี้เมื่อเราฝึกจิตเดิมใจเดิมเนี่ยฮมันตั้งมั่นอยู่ด้วยดีแล้วมันรู้เท่านามธรรมกับรูปประธรรมดังกล่าวมานี้แล้วมันก็ไม่ได้หลงไหลไป ตามรูปธรรมนามธรรมอานี้แล้วมันก็มองเห็นว่าไม่มีใครแก่ไม่มีใครเจ็บไม่มีใครตายอลไรบนี้นะจิตอย่างลงสู่ปรมัตถธรรมไปอย่างนั้น <c oughs> ลบสมมุติออกไปสมมุติว่าคนแก่คนเจ็บคนตายหรือว่าเราแก่เราเจ็บเราตายอย่างนี้นะ เมื่อว่าโดยปรมัา ธ, ธรรมแล้วมันไม่มีอไม่มีคนแก่คนเจ็บคนตายมีแต่น้ำธรรมรูปธรรมนี่มันเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยอันใดอันหนึ่งตกแต่งให้เกิดขึ้นมาแล้วเหตุปัจจัยอันนั้นมันก็ไม่เที่ยงแปรโพนไปเมื่อเหตุปัจจัยนั้นแปลโพนไปรูปธรรมนามธรรมนี่มันก็แปรไปตามอย่างนี้นะเมื่อเหตุปัจจัยอันนั้นมันดับลงรูปน้ำนี่ก็ แตกกับทำลายไปตามกันมีเท่านี้แหละชีวิตของมนุษย์เรานะ่ะแต่เมื่อมันยังมีชีวิตอยู่ยังเป็นไปอยู่นี่เราก็ต้องอาศัยสมมุติเนี่ยไปก่อนนะ่ะติดต่อกันอะไรต่ออะไรอาศัยสมมติไปแต่ปัญญาภายในใจิตใจมันถ้ารู้เท่าสมมุติอันนั้นไม่ถือว่าสมมุตินี่เป็นของจริงจังอะไร เป็นของเกิดแล้วดับไปไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรเลยเมื่อกำหนดรู้อย่างนี้แล้วก็ปล่อยวางไม่วิตกวิจารต่อไปอีกเพราะว่ารู้แล้วเนีว่าสมมุตินันไม่ใช่ของจริงอะสมมุติเอาเฉยเมื่อเราวางจิตไม่ไปจดจ่อ ก, กับมันแล้วสมมุติก็ไม่มีมีแต่สภาวธรรมเท่านั้นเองอ เมื่อจิตไม่ยึดไม่ถือตั้งเป็นหนึ่งอยู่ในปัจจุบันแล้วอย่างนี้มันก็ไม่มีใครเกิดใครตายกันนะมีแต่สังขารมันเกิดแล้วดับไปจิตก็รู้แจ้งแล้วก็ไม่ถือมัน่นแล้วก็อยู่อยู่ด้วยความรู้เท่าอยู่อยู่ด้วยความไม่ยึดไม่ถืออย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเมื่อ เข้าใจอย่างนี้แล้วก็พึ่งพากันลงมือปฏิบัติธรรมคือปฏิบัตินามทรรมรูปทมอันนี้ให้เห็นแจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งดังกล่าวมานี้เราก็จะได้รับความสุขความสงบสูงขึ้นไปโดยลำดับดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้